أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه و ن س ت ق ن س ت ح ي د ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهل الله فلا م د ل ل ه وما يدلنه فلا ه د ي ل ه اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد وإذا ر ض ي ت ولك الحمد بعد الرضا ว่าชือ ه, ه, ه ่า ل ม أ, ا ل ا พระเจ้า ه, ه أ ื ا นนอกจา ل พระ ا จ้าองค์เดีย ن ไม่มีพระเจ้าอื่น ه ดทั้งผู و ที่อยู ا ในช่วงแรกและช่วงสุ ا ท้าย ا ่ ا ชือว่าท่าน ي ل ه เป็นศา ا ดาผู ه เป็นศาสดาผ ر ้เป็นศาสดาผู้เป็นศ ا สดาผู้เป็นศาสดาผ ل ้เป็นศาสดาผู้เป็นศาสดาผู้เป็นศาสดาผู้เป ครับพี่น้องกิรักกิงครับก็เนื่องจากว่าอาทิตย์หน้านะครับโดยประมาณเราก็จะเข้าสู่ช่วงกระเดินอมอดอนแล้วนะครับซึ่งกําหนดการการพูดคุยของพวกเราก็จะต้องมีการปรับกันนะครับเพื่อให้พี่น้องแต่ละท่านได้ใช้เวลาในช่วงค่ําคืนอย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะครับผมก็เลยช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงรองอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ลองก่อนก็คือเราจะเลื่อนการพูดคุยทั้งหมดมาไว้ในช่วงหลังละหมาดฟัชชารี ซึ่งเมื่อเข้าสู่ช่วงเดือนรอมฎอนแล้วอินชาลอแล้วการบรรยายทั้งหมดอาทิตย์แรกจะขอเอาไปเทสไว้ในช่วงของการทานสะฮุนนะครับดูว่าจะเวิร์กหรือเปล่าจะไหวไม่ไหวนะครับซึ่งหมายความว่าพี่น้องที่สนใจร่วมรับชมก็ช่วงที่เตรียมอาหารสะฮุนก็สามารถเปิดฟังไปได้ด้วยนะครับผมซึ่งก็น่าจะลองกันในช่วงอาทิตย์แรกของรอมฎอนซึ่งถ้าเวิร์กไม่เวิร์กเดี๋ยวเราก็มาคุยกันอีกทีงั้นตอนนี้ถือว่าเรามาปรับตัวครับ เข้าสู่ช่วงเวลาใหม่ซึ่งก็ allah, อินชาลอแล้วขอโดยจากพวกเราวว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะครับก็หวังความเมตตาจากเราอย่างนั้นครับผมพี่น้องที่รักยิ่งครับเรายังคงคุยกันในส่วนของส ah ุร a h อัลเบลัดหลังจากที่พ่อแล้ได้บอกไว้ว่าพ่อแล้วนั้นได้ให้ความเมตตาต่างๆแก่มนุษย์แล้วก็คนในลักษณะ โดยทั่วไปของมนุษย์นั้นจะเป็นผู้ที่เนลคุณแล้วก็ชอบหยิ่งยโสเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ที่เป็นสิ่งดีดีนั้นเอามาอวดอ้างให้คนอื่นได้รับรู้โอลลี่บอกว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของมนุษย์นั้นโอลลี่สร้างให้ทุกคนนั้นมีสติปัญญาแล้วก็รู้ผิดชอบชั่วดีประเด็นนี้สําคัญมากๆครับเพราะว่าในปัจจุบันมีคนบางกลุ่มบางส่วนพยายามจะบอกว่าความดีความชั่วนะ่ะมันเป็นเพียงการสมมุติขึ้นมา คือแต่ละยุคแต่ละสมัยก็มีความดีความชั่วที่ต่างกันอันนั้นเป็นคำพูดที่ไม่ถูกครับผมถ้าจะมีส่วนถูกก็มีมีส่วนถูกบางส่วนที่ว่าเป็นค่านิยมของสังคมอย่างเช่นในอดีตอาจจะชอบคนอ้วนในปัจจุบันอาจจะชอบคนผอมๆละพวกค่านิยมนั้นมันมีส่วนหนึ่งแต่ในเรื่องของความดีความชั่วชัดเจนคนเราเกิดมาตามธรรมชาติที่งดงาม คนทุกคนยอมรับว่าการกระตันยูต่อผู้มีพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วการเนรคุณต่อผู้มีพระคุณนั้นเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายคือตามธรรมชาติแล้วคนเราจะยอมรับได้ว่ามันมีสิ่งที่เรียกว่าความดีนะแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าความชั่วนะนั่นคือธรรมชาติที่เราถูกสร้างมาเหมือนกับที่พระุจ้า سبحانه และ تعالى กล่าวในอัลกุรอานนะจากกล่าวาว่าอิศานะอัชาฟไตวและฮดนาหุนนชดนิดัยเราได้ให้ทางนำแก่กเขาสู่ทางนำของทั้ง2เส้นทางคืงงงอเลือกเลย มีสติปัญญาให้เลือกว่าอันนี้คือเส้นทางที่ดีงามแล้วนี่ก็คือเส้นทางที่ไม่ดีงามสิทธิ์ในการเลือกเป็นของพวกเราทุกคนดังนั้นไม่มีสิทธิที่ใครจะอ้างว่าพ่อแม่ฉันปลูกฝังมาอย่างนั้นฉันอยู่ในสังคมแบบนี้สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นเพียงปัจจัยภายนอกทิ่สาคัญที่สุดมันคือตัวตนของเรามันคือหัวใจของเราว่าเราจะเปิดรับสิ่งเหล่านั้นมาเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวตนของเราหรือไม่ปรดีต้องมากมายครับที่อยู่ในสภาพ สังคมที่ชั่วร้ายแต่ก็เป็นคนดีได้เหมือนกับนบีอับรุฮิมานิสซาตุสลามในชุมชนของท่านไม่มีคนดีเลยท่านก็ยากเป็นคนดีได้เช่นเดียวกับท่านนบีมูฮัมมัดสลลัลฮุอะไลฮิวะสัลลัมท่านก็อยู่ในชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นยุคจานิยักหรือชั่วที่สุดแล้วแต่มันก็ไม่ได้ห้ามท่านจากการที่ท่านจะเป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในอุมหมานี้แล้วก็เช่นเดียวกันคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนดีเหมือนกับตัวของนบีนัวเหมือนกับภรรยาของนบี เหมือนกับหลายๆคนที่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเช่นเดียวกับโมนาฟิกที่ว่าอยู่ในกลุ่มโซฮาบะเขาอยู่ในกลุ่มคนที่ประเสริฐที่สุดแต่นั่นก็ไม่ใช่เป็นเหตุที่ทําให้เขานั้นเป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่ประเสริฐไปด้วยเพราะฉะนั้นกุ่มลุกุมรออินวับกลุมลูกุณมาอูรุนอารอียะทีเราแต่ลราคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วเราจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่รับผิดชอบของเราเอาคนอืมาอ้างไม่ได้เพราะถึงเวลาชัยตอนก็จะบอกว่าฉันไม่เกี่ยวกับคุณ คุณก็ไม่เกี่ยวกับฉันฉันก็แค่พูดแล้วคุณก็มาทําตามฉันทําไมล่ะก็พูดให้ชาวนาลกได้เจ็บใจนะครับผมครับสาหรับพี่น้องที่สลามมานะครับเนื่องจากว่าอมีปัญหาขัดข้องนิดนึงในเรื่องของการดูข้อความนะครับผมก็ขอมาพี่น้องทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็เนื่องจามีพี่น้องสลามมาแหละผมก็ขอตอบกลับว่าดิฉันสลามอัลลอฮุวาบาริกาตูเดียวอินชาอัลลอฮ์จะทยอยไปดูคอมเมนต์ที่พี่น้องคอมเมนต์ใหม่อีกทีหนึ่งนะครับผม เราจะคงคุยกันว่าตอนนี้เราสนใจเหลืเกินโดยเฉพาะช่วงเดือนอมตรมดเราอยากรู้เหลือเกินว่าอะไรเป็นสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูอัตะลาานั้นรักฉันเราได้พูดไปแล้วถึง8อดเจ็สัญญาณด้วยกันเราบอกว่ามีทั้งหมด9สัญญาณอย่างน้อยเก้าสัญญาณที่แสดงให้รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นรักเราเนื้อก็คือเมื่ออัลลอฮ์ให้ครอบครัวของเรานั้นมีความอ่อนโยนให้แก่กันและกันอยู่บนพื้นฐานของศรัทธาอันนี้คืออัลลอฮ์รักเรา แล้วก็รักครอบครัวของเราอันที่สองก็คือเมื่ อ, อไรก็ตามที่การทําความชั่วหรือการทิ้งความดีมันเป็นเรื่องยากสําหรับเรานั่นแหละคืออัลลอฮ์รักอัลลอฮ์ไม่ใจเราอันที่3าเ ม, มื่ อ, อไหรก็ตามที่เรารักเหลือเกินเหนือนการเป็นมุสลิมเรารักศาสนาอิสลามมากมายเหลือเกินแล้วเราก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใหสอดคล้องตามสิ่งที่อัลลอฮ์รักนั่นก็แปลว่าอัลลอฮ์รักเราอันที่สี่ครับเมื่ อ, อไรก็ตามที่อัลลอฮ์ให้เรามีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้ทั้งๆที่ดูเหมือนเราไม่น่าจะช่วยเหลือใครได้ อันนั้นแหละก็แปลว่าอัลลอฮ์รักเราตัวบทเราได้พูดกันไปหมดแล้วนะครับอันนี้สรุปแค่หัวข้ออันที่5ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําความดีแล้วแต่เรายิ่งถูกทดสอบหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์รักเรามากๆเลยเพราะคนแต่และคนจะถูกทดสอบตามระดับอิมัลของเขาอันที่หครับเมื่อไหรก็ตามที่เราทําความชั่วทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วอัลลอฮ์ลงโทษเราตั้งแต่ในดุนยาเลย โดยที่ยังให้เรามีสติได้คิดได้ได้กับเนื้อกับตัวนั่นแปลว่าอัลลอฮ์รักเราเช่นเดียวกับอันที่7ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่บรสุลลัสลลอฮอวยสามเป็นที่รักสมัครเรามากยิ่งไปกว่าคนทุกคนบนโลกนี้มากกว่าพ่อแม่ของเรามากกว่ามนุษย์มากกว่าทรัพย์สินแล้วก็มากกว่าตัวของเราอีกเมื่อนั้นแปลว่าอัลลอฮ์รักเราเช่นเดียวกันวันนี้ครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันในประเด็นที่8ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเรารัก ที่จะได้เจอกับอัลลอฮ์สุบฮะนาฮูวาจาละประเด็นนี้สําคัญครับเพราะมีมุสลิมเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับที่เราบอกว่าเรารักอัลลอฮ์เรารักเราซูนเราเป็นมุสลิมที่ดีแต่เมื่อถึงเวลาถามตรงๆว่าเราอยากเจออัลลอฮ์ไหมเราอยากกลับไปพบพระองค์ไหมหลายครั้งที่ว่าจะเกิดความรู้สึกช่นั้ฉันยังติดกับดุลยาฉันยังติดงานฉันยังติดลูกฉันยังติดเรียนฉันยังอยากท า, งงย อ, ยากอย่างนั้นฉันยังอยากทาอย่างนี้ แปลว่าเรายังไม่ได้อยากจะเจอพวกหรอจริงเพราะว่าถ้าเกิดคนที่รักกันจริงต้องอยากเจอกันเป็นธรรมชาติถูกไหมครับเมือนถ้าเกิดพี่น้องรักใครสักคนอาจจะรักคู่ครองอาจจะรักลูกหลานหรือว่ารักเพื่อนเวลาที่เรารู้สึกรักใครมากๆเราอยากอยู่ใกล้เขาแล้วอยากไปเจอเขาเหมือนกับมุสลิมเราเราอยู่ในดุนยาใช่ไหมครับ เรารู้ว่าเราต้องทำอามานะของเราก่อนเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยผู้ราเป็นผู้กําหนดจนถึงอชันนั่นแหละว่าแต่ก็ตามที่ถึงกําหนดความตายของเราเมื่อ น, นั้นก็คือหมดภารกิจมุสลิมเราก็จะมีชีวิตอยู่ในยุนยาในสภาพของคนที่ว่าฉันอยากเจออัลละฮ์เหลือเกินเมื่อไรฉันจะได้เจอ AH, อัลลอฮ์ยาวรอดฉันจะไม่ขอดไว้ฉันตายเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่อัลลอฮ์สั่ง ฉันขอยดูอาการที่อัลลอฮ์สั่งว่าโอ้ล้อโลกปัญญาขอยฉันได้สิ่งที่ดีโลกหน้าขอ้ฉันได้สิ่งดีอใอ้ฉันลอกผลจากไฟในรกแต่ยาวล้อฉันคิดถึงพวกเล่เกือนยาวลอฉันอยากเจอพวกละเคือนยาวล้อฉันอยากจะเห็นพวกาือนี่คือผู้ที่อัลลอฮ์รักเขาเพราะท่านนบีมูฮัมมัดสุลต่านได้พูดไว้ครับเป็นฮาริสกุศีเชเดียวกันฮาริสกุศีคือฮิสที่พอัลลอฮ์ س ب ะอาตาลาพูดมาฝากคาพูดมให้ท่านนบีมูฮัมมัดสลตอะไรนี่บัดสลัม ปรเทซีนี้อยู่ในประเทศคอยหมา穆ม斯ครับอัลลอฮ์กล่าวว่าขอ map ครับ <c oughs> สำนวนดูอาจจะเป็นฮิุซีแล้วก็อาจจะเป็นฮิสกบีมุสลลัลฮอิสลัมบีกล่าวไว้ครับว่าใครก็ตามที่รักจะได้เจอพู้อัลลอฮ์ใครก็ตามรักที่จะได้พบเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักที่จะได้พบเจอเขาสุาล AH. ใครก็ตามรักที่จะได พบเจออัลลอ์อันนี้คือท่านนบีมุสลิมพูดนะับสำนวนได้เป็นนบีพูดมากไปท่านนบีพูดว่าใครก็ตามที่เขาพบรักที่จะได้พบเจออัลลอฮ์อัลลอ์ก็มีความรักที่จะได้พบเจอเขาแล้วใครก็ตามที่รังเกียจที่จะได้เจออ AH. AH ัลลอ์อัลล์ก็รังเกียจที่จะเจอเขาใครที่รังเกียจจะเจออัลลอ์ครับใครก็ตามทีุ่่มรวงกับดุนยา ใคก็ตามที่ยังมีสิ่งที่ชอบในดุนยาใคก็ตามที่ยังรักอยากทําอยากกินอยากนั่นอยากนอยากีากกากากาก่สารพัดในดุนยาจะรู้สึกว่าฉันยังไม่อยากตายฉันยังไม่อยากกลับไปเจออัลลอฮ์ฉันยังไม่อยากกลับไปหาอัลลอฮ์ที่น้องที่รักมุสลิมเราจะเตือนสติตัวเองทุกครั้งเวลาที่เราเกิดการสูญเสียว่าเราเป็นของอัลลอฮ์แล้วเราต้องกลับคืนสู่พระองค์ด้วยตอนเช้าก็เช่นเดียวก um ana, na, nah ya, u, ันครับอัลลอุมาบิกะอัสบะนะวะบิกะอัลไซนะวะบิกะนะยะวะบิกะนะมูตุวะอิไลกันมีทั้งสองส่งวนมาศึกครับ ใน ต, ตอนเชา้าก็ดูชุดในตอนเย็นก็มาสีทั้งหมดแปลความหมายค้ายกันกันคือถึงเวลายาวลอะฉันก็ต้องกลับไปหาลอต์มุสลิมเราจะตอบย้ำตัวเองเป็นประจำว่าเราต้องกลับไปหาผู้อ่อนล้อไม่ใช่แค่เพื่อเป็นการเตือนสติว่าเราต้องตายแต่เพื่อเป็นการบอกตัวเองให้รู้ว่าการกลับไปหาพผู้อ่อนล้อนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างของเรากับการกลับไปหาผู้อ่อนล้อนั้นคือความสุขของเราการกลับไปอ่อนล้อ ไปหาพ่อร้อนนั่นคือความรักคือความปาตถนาคือสิ่งดีงามคือสิ่งที่เราจะอยากได้อยากเจอกับตัวของเราเองนี่คืออีกหนึ่งความหมายของคําว่าอินนาริลลาฮิวะอินนาอิไลฮิรอชิอูรักอัลลอฮ์และเกินยาวร้อนฉันอยากเจอพ่อพ่อเป็นผู้เมตตาฉันพ่อร้อนรักฉันมากมายเหลือเกินพ่อร้อให้ความช่วยเหลือฉันมากมายเหลือเกินพ่อร้อนให้สิ่งต่างๆมากมายเกินคณานับฉันรักพระ อ, องค์ฉันคิดถึงพ่อฉันอยากเจอพ่อเหลือเกิน พระาะว่าเก่าไว้ในกุรานสุลกาฟีในช่วงสุดท้ายครับอายะที่1น0ร้อยสิบบางคนอาจจะบอกว่าฉันรักอัลลอฮ์คำพูดเพียงปากเปล่ามันไม่ได้แสดงอะไรเลยมันเหมือนกับการที่เราไปบอกรักใครสักคนโดยที่ว่าใจของเราจริงๆไม่ได้รักเขาอาจจะไปรักคนอืน่นเขาเรียกว่านอกใจหรือเรียกว่าโกหกเพราะว่าเก่าไว้ครับ كل إنا مأنا بشرم م กุม จงการเถิดมูฮัมหมัดฉันก็เป็นเพียงมนุษย์ปุตุชนเหมือนพวกท่านนี่แหละฉันก็เจ็บปวดเหมือนกับที่พวกท่านเจ็บปวดฉันก็หิวเหมือนกับเวลาที่พวกท่านหิวฉันเดนินหนักกว่พวกท่านสอ ง, สองเท่าด้วยซ้ำอิมนามาอานาบาชรุ ม, มิสลูกุมจงการเถิดมูฮัมหมัดฉันก็เป็นมนุษย์ปุตุชนเหมือนกับพวกคุณนี่แหละแต่สิ่งที่ฉันได้รับมาคือย uh ูฮาอีเลียได้รับองค์การได้รับวาฮีมาอย่างฉันอันนามาอิลาฮุคุมอิลาฮุวาฮิด ฉันได้รับวะฮีมาโดยตรงจากอัลลอ์ว่าผู้ที่พวกเจ้าต้องกราบไหว้พวกที่พวกคุณต้องกราบไหว้นั้นมีเพียงอัลลอ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นอิลลฮุกลมอิลลฮุวาห์ผู้ที่เจ้าต้องกราบไหว้มีเพียงอัลลอ์เพียงองค์เดียว فمن ك ا ะย ر ج و لقاء ربه فل يعمل عملا ص ا ل ح ولا يشرك ب ع ิ ا อัลลอฮความ a a am al am ah หามา ย, ยางดงามม า, ากพกรากราบว่าไงครับ ตอนเนี้ยละีประกาศแล้วลบีก็ไปนมนุษย์ปฎิชน์แต่เวลาท่านลบีก็ต้องเสียชีวิตแล้วก็ต้องถูกฝื้นคืีชีพขึ้นมาเหมือนกับพวกเราท่านลบีได้รับวะฮีมาแล้วก็ชัดเจนว่าวะฮีนั้นบอกเราว่าถ้าเราจะกลับไหายต้องกลับว่ายร้อยเพียงองค์เดียวเฟอรมันเตน่รู้ขนาดนี้แล้วบอกท่านลบีบอกทุกสิ่งแล้วดังนั้นใครก็ตามที่เขาหวังว่าจะได้ไปพบกับวิ้บาสของเขาใครก็ตาม ที่เขาหวังว่าเขาจะได้ไปพบกับนายของเขาฟมันกานายาตูลีกออารับบีหวังปรารถนารักที่จะได้ไปพบเจอกับอัลลอะ์มั่นใจว่าอัลลอฮ์มีจริงมั่นใจว่าเราเป็นพระเจ้า <c oughs> แล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่แค่มั่นใจ มีความปรารถนาด้วยเพราะดุนยามันเหนื่อยเหลือเกินบททดสอบมันหนักเหลือเกินเราเลือกอยู่ในกรอบตามที่เราล็อกกาหนดไปแล้วเพราะเราอยากเจอพระ อ, องค์เพราะเรารักพระองค์เพราะเราหวังความโปรดปานตลอดกาลจากพระ อ, องค์เราก็เลยอยู่ในกรอบที่มันเดือดร้อนที่มันลําบากที่มันตรมานที่คนแทบจะทั้งโลกอาจจะไม่เข้าใจเราเพราะอะไรครับยรชูรีก็รอบดี เพราะเรานั้นปรารถนาเพราะเรานั้นหวังที่จะได้ไปพบเจอพระผู้อภิบาลของเราเพราะเราหวังที่จะได้พบเจอนายของเราพเพราะว่าบอกใครก็ตามนะที่หวังว่าจะได้ไปพบเจอนายของเขาเฟรย่มัอมลอามันซอลิฮาเขาก็จงทําแต่การงานที่ดีสุบานอัลลอฮครับเฟรย่มัลอาเมลันขอมาแป๊บอามันในที่เนี้ย ใช้เป็นมุฟรอดแต่ครอบคุมเลยก็คือว่าการงานใดๆก็ตามที่มันเป็นการงานที่ดีอะไร ค, คือการงานที่ดีครับคือการงานที่เราบอกว่าทำแล้วเอาลอร์รัดอะไรคือการงานที่ดีคือการงานที่มีความจริงใจต่ อ, อลอร์แปลว่าการงานที่ดีมีสองเงื่อนไขนะอะไรก็ตามที่เราทำเนี่ยเรามีความจริงใจว่าทำเพื่ อ, อลอร์หรือการทำความดีทุกอย่างถ้าเราไม่ได้คิดว่าทาเพื่ อ, อลอร์พี่น้องก็ไม่ได้บุญจากอลอ์นะ พี่น้องก็ได้บุญตามที่พี่น้องทำนั่นแหละทําให้คนรักก็ได้จากคนที่คนรักทําให้คนชมก็ได้คําชมทําอะไรก็ตามได้ตามนั้นแต่ถ้าเกิดเราทําความดีเพราะอยากให้อลัลลอฮ์รักอลัลลอฮ์ก็รักหน่งคือเงื่อนไขข้อแรกครับต้องมีความจริงใจในการทําการงานนั้นและเงื่อนไขข้อที่สองคืออะไรครับต้องทําตามกฎ ก, ฎกติกาของอลัลลอฮ์ถึงจะเรียกว่าเป็นการงานที่ดีเพราะว่าแต่ละศาสนาก็มีมุมมองในเรื่องของการงานที่ดีต่างกัน บางทีตรงกันข้ามกันด้วยซ้ำอย่างศาสนาที่สอนให้กราบไหว้เจวิตกับศาสนาที่สอนว่าพระเจ้ามีหนึ่งเดียวคําสอนตรงข้ามกันตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นจะให้อัลลอฮ์รักต้องใช้กติกาของอัลลอฮ์ไม่ใช่กติกาของผู้อื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์ไม่ใช่ไปใช้กฎกติกาของบางพวกลูกปู่ย่าตายายต้องเป็นกติกาของอัลลอฮ์เท่านั้นเพราะเราอยากให้อัลลอฮ์รักกับพี่น้อง فمن i ا ن يرجو ل ق ا พราเขางครับใครก็ตามนะอยากมั่นใจป่าถนาจะไปพบกับนายของเขาจงค้นการงานที่ดีแล้วจงอย่าได้มีคู่เคียงใดๆกับพระ อ, องค์เด็ดายาดทำอะไรอย่าไปทำเพื่อสิ่งอื่นทำอะไรที่มันเป็นความดีก็อย่าไปแอบเจตนา หรือว่าเบี้ยวเบยวไปทางอื่นพี่น้องที่รักครับท่านนาบีมูฮัมหมัดสุลต์ของอัยิสลามได้เตือนพวกเราทุกคนถึงสิ่งที่ท่านกลัวมากที่สุดว่าจะเกิดกับพวกเราทุกคนนั่นคือชีวิเล็กนักก่นคือการโอ้อวดท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์ของอิสลามบ่อยครั้งและอเกินที่เตือนเราให้ระวังเพราะมันน่ากลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราโอ้อวดเราไม่รู้ตัวแต่การงานของเราไปสูญไปแล้วยังไงล่ะครริสวดหนึ่งท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต์ของอิสลามได้เล่าถึงชายสามคน ที่พระองค์เอาเขามาสอบส่วนชายสามคนนี้เป็นสามคนที่ว่าร้อยความโปวดปานเขามากมายแล้วก็เหมือนกับว่าเขาจะเสียชีวิตในสภาพบุคคลที่ว่ารักมากที่สุดมีใครบ้างนะครับพี่น้องมีอันแรกครับคนที่ว่าเสียสละในวิชย์ทางของพระองค์จีฮราร์พื่องค์แล้วก็ตายเพื่อพระองค์ตายเพื่อองค์นะคนแรกตายเพื่อองค์คนที่สองครับ เป็นคนที่มีความรู้ศาสนามากมายแล้วก็สอนคนอื่นมากมายแล้วก็สอนจนตัวเองตายฟังดูยิ่งใหญ่อันที่สามคนที่มีทรัพย์สินมากมายอัลลอฮฺให้เขารวยแล้วเขาก็บริจาคมากมายคนนั้นมาขอก็บริจาคคนนี้มาขอก็บริจาคบริจาคมากมายแล้วก็เสียชีวิตในสภาพของคนที่เป็นที่รู้กันเลยว่าเขาเป็นคนที่ใจบุญพี่น้องที่รักสามกลุ่ม น, นี้จะมีใครอีกจะมีกลุ่มไหนอีกที่อัลลอฮฺรักมากกว่าเขา คนที่มีความรู้แล้วก็เสียชีวิตท่านรบีมูฮัมมัดสุลตานบอกว่าความประเสริฐของผู้รู้กับความประเสริฐของอาบิสคนที่ทำอิบาระเหมือนกับดวงจันทร์ที่เหนือกว่าดาวทุกดวงผู้รู้ประเสริฐกว่าคนที่ทำความดีโดยไม่ใช่ความรู้มากมายเช่นเดียวกับผู้ที่เสียสละชีวิตเพื่ออัลลอฮ์จะมีการเสียสละใดมากกว่ายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นไม่เหลืออะไรกลับมาเลยเช่นเดียวกันกับคนที่มีทรัพย์สินมากมายแล้วบริจาคท่านรบีบอกว่าคนแบบนี้อิจฉาได้ อาล้อยเขารวยแล้วเขาก็บริจาคแต่พี่น้องที่รักสามคนนี้ที่พวกลอสุบฮาห์ฮัวตาลาพาเขามาพูดด้วยพาเขามาสอบสวนพวกลอสเอามาทีละคนทีละคนทีละคนพวกลอสเอาความปวดปานทั้งหมดในดุนยาให้เขาดูอในดุนยานะเคยให้อะไรเขาบ้างเคยให้เขามีพ่อแม่ที่ดีเคยให้มเมีเขามีทรัพย์สินมีอาหารได้ท่องเที่ยวได้ทำเหรียงสาแล้วพัก ทุกอย่างที่เราเลิกเคยให้เขาเอาล้อให้เขาดูแล้วเขาก็ยอมรับบอกว่าใช่ครับอยากเอาล้อนั่นแหละคือทั้งหมดที่พวกเราเลิกให้กับผมพวกเราถามคำถามเดียวสั้นๆง่ายๆครับเจ้าทำอะไรตอบแทนข้าบ้างเจ้าทำอะไรเพื่อข้าบ้างข้าให้เจ้าดูแล้วทั้งหมดที่ข้าทำให้กับเจ้าแล้วเจ้าทำอะไรเพื่อข้าบ้างคนที่ตายชดิตก็บอกว่าไงครับอยาเอาล้อ ผมเนี่ยได้ใช้ชีวิตของผมชุ่มเทเพื่อพระ อ, องค์เสียสละเพื่อพรค์ผมได้ต่อสู้กับศัตรูแล้วก็ตายเพื่อพระ อ, อ, องค์ครับจริใจตายชดเหดประเสริฐที่สุดแล้วพี่น้องที่รักอัลลอพูดวิ่งไงรู้ไหมครับอัลลอฮู้สูงสูสงส่งอัลลอฮกล่าวว่ากระซับเนาเจ้านะโกหกสุบฮานอันลลอฮ์มาไปสุดแดนอัลลอฮ์มั่งใจครับว่าตายเพื่ออัลลอฮ์ jihad เพื่ออัลลอฮ์ บอใครก็บอกอย่างเงี้ยว่าทําเพื่ออัลลอฮ์แต่ถึงเวลาอยู่ตาแน่อัลลอฮ์อริมุลไกรบิวัชฮะเนี่ยอัลลอฮ์คู้ที่ร่วรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ลับในสิ่งที่ปกปิดหรือในสิ่งที่ว่ามีคนรับรู้เพราะว่าบอกกับดัฟตาเจ้าโกหกเจ้าทําความดีเพื่อที่คนจะได้ชมเจ้าว่าเจ้านั้นกล้าหานเจ้าต่อสู้นะเพื่อที่คนจะได้ชมว่าเจ้าหนาเข้มแข็งเจ้ากล้าหานแล้วเขาก็พูดแล้วไม่ใช่เหรออัสซักฟิลวาอยากได้อย่างไร ก็ได้อย่างนั้นลึกๆในใจเนอยากให้คนมองมาที่ตนเองลึกๆในใจเนี่ยอยากให้คนชมว่าเขาน่ะเป็นคนที่เข้มแข็งเป็นคนที่แกาหานเจอทั้งตายในทางของอขาเนาะน้องขนาดการงานที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ชัยตอนยังสามารถทําให้เจตนาของเราค่อยๆได้นี่คือความน่ากลัวของความออวนวันนี้บอกเลยครับเจ้าโกหกเจ้าทํา เจ้าต่อสู้เพื่อให้คนชมว่าเจ้านั้นเข้มแข็งเจ้ากล้าหาญแล้วเขาก็ชมกันแล้วได้แล้วไงตามที่ต้องการเจ้าจะไม่ได้อะไรจากข้าอาลัลลอฮ์จะสั่งให้รายการลากชายคนนั้นโยลงไปไในเฟรนล ก, ก่อนเลยตอนกลุ่มอื่นเลยสามคนนี้โดนก่อนกลุ่มอื่นโดนก่อนมุนาฟิกโดนก่อนคุณช่วโดนก่อนทุกคนเลยคนที่น่าจะดีที่สุดน่าจะประเสริฐที่สุดคนที่ว่าคนทั้งโลกมองว่าเขาเป็นคนดี แต่อัลลอฮ์รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงพี่น้องระวังตัวให้ดีเราอาจจะหลอกคนทั้งโลกสารพัดเราอาจเราอาจจะพยายามหลอกตัวเองอยู่แต่อัลลอฮ์นั้นไม่มีใครหลอกองค์ได้โอ้โหแล้คุยกับคนต่อมาครับเจ้าทําอะไรเพื่อข่าบ้างโอ้โหแล้ว Allah ก็พอพอเปปานทั้งหมดที่โมลละเคยให้กับเขาเอามาให้เขาดูเขาก็บอกว่ายาวละทั้งหมดเนี่ยเอาละให้กับผมมาผมยอมรับ พระลอถามว่าแล้วเจ้าทําอะไรเพื่อตอบแทนข้าบ้างเขาบอกว่าครับยาอลอผมได้เรียนรู้เพื่อพระองค์แล้วผมก็ได้สอนสานเพื่อพระองค์ผมสอนคนมากมายเลยเรื่องอิตาบนลอเรอสุด น, นะสอนคนไปเยอะแยะเลยเพื่อพระองค์ลอใจพาวเอด้เข่าสวัสดิ์แนนเลยความดีมหาศาลอยู่ใกล้กับนบมมีมูฮัมมัดสุลต์สำหรับเป็นทา ย, ยาทของนบี โวลัสสุภาณนหัวตะกัดว่าแต่รับต้าเจ้าโกหกอสักฟลุ่มละคาพูดคําเดียวชัดเจนครับไม่จําเป็นต้องบอกว่าไหนลับพยานยาละไม่จําเป็นครับโวเราเป็นสักขีพยานพอเพียงแล้ว <c oughs> พอเพียงแล้วที่โวลรสจะเป็นสักขีพยานแล้วก็พอเพียงแล้วที่โวลัสจะเป็นผู้ที่สับสวนแล้วก็ตัดสินที่ที่ทํายิ่งโวลรสบอกว่าเจ้าโกหก เจ้าสอนคนอื่นเจ้าเลี้ยงศาสนาเนี่ยเพื่อหวังจะให้คนอื่นเนี่ยมายกยอ่องของเจ้าว่าเจ้านั้นเป็นผู้รู้ว่าเจ้านั้นเป็นคนดีว่าเจ้านั้นเป็นคนที่มีอามันดีเป็นคนที่น่านับถือแล้วเขาก็พูดแล้วแล้วพวกเขาก็พูดเรียบร้อยแล้วอยากให้คนชมคนกระชมแล้วไงอยากให้คนยกย่องคนกระยกย่องแล้วไงอยากให้ผลประโยชน์ยืดยดดุ่คนก็ให้แล้วไงเนีู่ดบินลามินแวีก กลัวมากครับกลัวมากข้อนี้ครับใครก็ตามที่ทํางานศาสนาต้องกลัวเหตุการณ์นี้มากที่สุดต้องถามใจตัวเองเป็นประจำว่าเพื่อเอาล้อจริงหรือเปล่าเพราะถึงเวลาถ้าพวกล้อพูดถึงนี้จบแล้วมันคือศสร็จจะทำมันคือความจริงกระสับกร่าเจ้าโกหกเจ้าสอนเจ้าพูดเจ้าเรียนเพื่อให้คนชมเจ้าแล้วเขาก็ชมเรียบร้อยแล้วเจ้าจะไม่ได้รับอะไรจากข้ามาเลยก็ก็พวกล้อแค่สั่งมาเลยก็ให้ลากชายคนนี้ น่ความไถยไปกับคืนลากมันเป็นยังหรอนาอุ่นบิลลายมินใจลี่ขอลกอคุามองพะไยลากคนหนึ่งมนสามคนนั้นมีใครครับคนที่ร่ำรวยพี่น้องสุภาณอลค์สิ่งที่ดับความกดดิ้วขอล้อได้ดีที่สุดคือการบริจาค ก, การบริจาคเป็นหนึ่งในการงานที่อลัลลอ์รักมากที่สุดถึงเวลาทำไรผิดพาลาดอัลลอ์สนใจบริจาค ท่านลบีเป็นแบบอย่างให้บริจาคแต่ถือสนุดไม่ได้ถือสนุดในเวลาแล้วก็ไม่สามารถจะชดใช้ได้ก็บริจาคทําสิ่งที่ไม่ดีมากก็บริจาคเพียร์คสาบา้านก็บริจาคอิสลามจะ ส, ส่งเสริมให้มีการบริจาคมากๆเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์รักมาก ชายคนนี้พวกล้อเอาความโปรดปรานทั้งหมดที่พวกล้อเคยให้เขาเอาให้เขาดูเขาก็บอกว่าย า, าล้อนี่คือความโปรดปานที่พงให้กับผมในดุนยายอมรับหมดเลยพวกล้อถามว่าเจ้าทําอะไรเพื่อข้าบางชายคนนั้นบอกอยาอาล้อทรัพย์สินเนี่ยผมบริจาคให้พงเพื่อพงหมดเลยเยอะแยะเลยพใครมาขอคนนั้นมาขอคนนี้มาขอผมให้ไปหมดผมให้ไปไม่รู้กี่ล้านล้านเพื่อพระอง ค, ค์ครับพี่น้องเดาถูกแน่นอน ขวลาสุบฮานหัวตาลากล่าวว่าการับตาเจ้าโกหกที่เจ้าบริจาคเนะี่ยเพราะเจ้าอยากจะให้คนชมว่าเจ้าเนี่ยใจบุญพี่น้องเห็นด้วยไหมพอเราทําความดีเนะี่ยพอมีคนมาชมเนะี่ยมันรู้สึกดีถูกไหมครับพี่น้องแล้วบางทีคนบางคนไม่ใช่รู้สึกดีตั้งแต่ตอนมีคนชมแต่รอให้คนชมตั้งแต่ทําแล้วคือเนี่อยเสียตั้งแต่แรก บางคนเนืดมาเสียทีหลังพอคนชมผู้บเสียคนไม่ว่ายัางไงก็ตามพี่น้องที่รักเมื่อถึงเวลาพี่น้องอย่าลืมพระลอสุภานหัวตาดาได้พูดไว้อันนี้เป็นฮิริคุสีพระลอส่า ว, ว่าอาณาอักชษรกะอั น, นชิดข้าร่ำรวยเกินกว่าที่จะมีภาคีใครก็ตามทําความดีเพื่อข้าแล้วก็พ่วงสิ่งอื่นมาด้วยนอกเหนือจากข้าข้าจะทิ้งเขาให้อยู่กับสิ่งหลงนั้นแตลเราบอกกันเราไม่เอาเลยเราเป็นกุดดูส เาลาเป็นผู้ที่สะอาดเาลาจะรับให้สิ่งสะกะปรกมาอยู่กับพวกนี้อย่างนี้เป็นไปไม่ได้ครับพี่น้องเมื่อพวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์ผู้สะอาดแล้วพวก เ, เจะสิ่งสะกะปรกเจ้าเนยิสเจ้าชีริกที่เป็นสิ่งต่ำต้อยมอคู่เคียงกับพระองค์มันเป็นไปไม่ได้พวกเราก็บอกใครทําอะไรก็ตามพวกพวกเร า, เราแล้วก็พ่วงไปทําให้เพื่อสิ่งอื่นด้วยทําชีริก ไม่ว่าจะชิริกใหญ่หรือชิริกเล็กก็อลอบอกอล้อก็ไม่รับพี่น้องเมื่อรีนค่าว่าชิริกเนี่ยเรารู้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่บางทีพอเราดีนคําว่าชิริกเล็กแลารู้สึกว่าอ๋อมันก็แค่เล็กๆมันไม่เล็กเลยพี่น้องชิริกเล็กเป็นเหตุให้คนสามคนนี้ต้องลงนรกก่อนใขรเพื่อนพี่น้องคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กไหมล่ะครับ แบบใหญ่เป็นเหตุให้เราอาจจะถูกลงโทษนนะอุจบาระบรรดายลีกอลลกคุ้มของพวกเราแต่เมื่อถึงขั้นชีริสเล็กจะถูกก่อนใครเพื่อนกับการงานที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่ที่สุดตายเพื่อเราสอนศาสนาเป็นผู้รู้ที่คนทั้งบ้านนับหน้าถือตาเป็นคนร่ำรวยที่บริจาคแล้วใครก็ชมว่าเนี่ยมันรวยเนีมันใจบุญ พี่น้องสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอ ย, อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงใจของเรานี้ว่าเราหลอกตัวเองไหมเราควบคุมมันได้ดีพอไหมหรือเราเองเป็นคนที่ทําให้มันสกรปรกกัสอาฟราฮามันจะแก้แหบกัสาบามันดัสเซห์ารอาไงครับผู้ใดก็ตามที่ทําให้หัวใจของเขาจิตใจของเขานั้นสะอาดเขาไับชัยชนะใครก็ตามที่ทําให้หัวใจของเขานั้นสกปรก ข้อบ่ข้อเสียเราเขาขาดทุนเขาล้ม işte ละลายซึ่งคําว่าขาดทุนเมื่อมันมาจากพวกลัทธิสุภานัน ว, วาตลาล่มันคือขาดทุนจริงๆมันคือขาดทุนที่ว่าไม่ต้องหวังว่าจะได้เบี้ยวแกะโยงหัวขึ้นมาอีกขอรัาจากพวกเราใหคุ้มของพวกเราขอรัาจากพวกลเราให้เรานั้นมีความรักต่อพวกลัทธิสุภานัน ว, วาตลาล่รักศาสนาพุทของพระองค์รักศาสนาของพระองค์รักในการที่จะได้พบเจอพวกลัทธิสุภานัน ว, วาตาล่ ยาวล้อตอนนี้เราเอาจจะยังไม่พร้อมในการพบเจอกับองค์อาจจะมีความชั่วร้ายมากมายเหลือเกินยาวล้อปวดให้ภัยเราด้วยยาวล้อหากพวกวอลล์จะให้เราเสียชีวิตก็ขอร้ยเราเสียชีวิตในสภาพของบ่าวที่มีสติหายต่อพระองค์ในสภาพของบ่าวที่รักพระองค์หากพวกวอลล์จะให้เรามีชีวิตอยู่ต่อไปยาวล้อขอให้มันเป็นชีวิตที่ว่ามีอยู่เพื่อพวกวอลล์อย่างแท้จริงรั ก, พกเพื่อพระองค์แล้วก็เกลียดเพื่อพระองค์ยาวล้อหากพวกวอลล์นั้นตักนี้กําหนดให้พวกเรานั้นมีโอกาสได้ เจอกับเดือนรอมฎอนที่กําลังจะเข้ามาถึงยาวล้อปโปรดให้เรานั้นเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ได้ใช้ประโยชน์จากเดือนรอมฎอนอย่างเต็มที่มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ยาวล้อขอจารยจากโพลรอสภาาผู้สูงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกียรกิผู้ทรงเป็นที่พึ่งเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นของเราผู้ที่ไม่ถูกกําเนิดแล้วก็ไม่ได้คลอดใขรออกมาขอจาว่าจากโพล้อผู้ที่ไม่มีผู้ใดสมมุตเหมือนพวกยาวล้อโปรดทําให้อลเดือนรอมฎอนนี้ เป็นเดือนที่ทําให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงเตรียงให้เป็นคนที่ดีขึ้นโปรดทําให้เรานั้นเป็นเป็นผู้ที่มีหัวใจที่สะอาดขึ้นโปรดให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่ถูกได้รับการอภัยโทษในบาปต่างๆของพวกเราโปรดตักเตือนพวกเราในสิ่งที่เราไม่รู้โปรดทําให้เราคิดได้ในสิ่งที่เราหลงลืมแล้วก็โปรดให้เราเข้มแข็งในสิ่งที่ว่าเราจําเป็นจะต้องผ่านมันไปให้ได้ยาลร้อยอย่าได้ทดสอบเรานอกจากรบรทดสอบนั้นจะเป็นบททดสอบ Rab ที่อยู่ในความสามารถของเรา ยาอัลลอฮ์หาพวกอัลลอฮทดสอบเราด้การบททดสอบหนักๆขอให้เรานั้นผ่านพ้นบททดสอบนั้นไปได้อย่างแง่ใดในสภาพของบ่าวที่พวกอัลลอฮ์รักเขาด้วยเถิดยาอัลลอฮ์เรานั้นมีพฤตมีความบกพร่องมากมายแต่ว่ายาอัลลอฮ์เรานั้นพยายามทำตัวเป็นบ่าวที่ดีขององค์ให้อภัยเราด้วยเมตตาเราด้วยโปรดรักเราด้วยแล้วก็โปรดให้เรานั้นมีชัยเหนือกลุ่มชนที่เป็นผู้ไปเสดสัทธาด้วยเถิดแล้วก็ขอพวกอัลลอฮ์นั้นให้ พรให้ความประเสริฐให้ความจำเนรให้ความสันติแก่ท่านอับดุลเบี๋ยมุสละลลฮ์อะลัยซ์ลัลัมตลอดจงบุญวันของท่านตลอดจนครอบครัวของท่านภรรยาของท่านแม่ของผู้ศรัทธาแล้วก็บรรดาลูกหลานของท่านแล้วก็บรรดาลสหายบาของท่านอับดุลเบี๋ยมุสละลลฮ์อะลัยซ์ลัลัมด้วยเถิดยาอัลลอฮ์เราอาจจะไม่คู่ควรแต่ว่าเรานั้นอยากอยู่กับบุคคลที่เรารักเราอยากอยู่กับท่านอับดุลเบี๋ยมุสละลลฮ์อะลัยซ์ลัลัมแล้วเรานั้นก็อยากเห็นใบหน้าของผู้อัลลอฮ์ในวันที่พผู้อัลลอฮ์นั การตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและนั่นคือความปรารถนาสูงสุดของพวกเราทุกคนครับอามินอัลกุลกาวรีฮาดวัสักุลลอฮาลิวัลละคุมวลิสาลิมุสลิมีนามนุษลิมัสักุลอินนุฮฺฮัลกาฟรอัลรอฮิมซุบฮานักัลลอฮมาวะฮมดิกะัลลุลลาอิลานตะอสักะวาตูบนกวกันอีกในครั้งต่อไปอินชาอัลลฮครับลแลมัยุมวะรตุลลอฮวาบารกาตุฮครับ